โดยภาพรวมนะถือว่าพวกเราพาวนาใช้ได้โดยภาพรวมการปฏิบัติมันไม่ได้ยากเย็ยนอะไรรู้หลักแล้วก็มันก็ง่ายๆมันยากอยู่จุดแรกนะว่าทําไงจิตไม่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาถ้าจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วการปฏิบัติไม่ยากอะไรแล้วหน้าที่เรามีแค่ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทางาน ตรงที่จะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้จิตเป็นพุโทโธนะวิธีการก็คือคอยรู้ทันนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปจิตไหลไปจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปจับอารมณ์นิ่งๆอยู่รู้ทันนะจิตเคลื่อนไปทางไหนคอยรู้ทันเรื่อยๆไม่ยากอะไรหรอก คนไหนถนัดพุดโทโธก็พุโทโธคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจถนัดพองยุบก็พองยุบนะอะไรก็ได้เหมือนกันหมดไม่ดีไม่เลวแตกต่างกันทํากรรมาฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่ทํากรรมาฐานแล้วน้อมจิตให้ไปอยู่ที่อารมณ์กรรมาฐานถ้าทํากรรมาฐานอันหนึ่งแล้วน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานจะกลายเป็นสมาธิชนิดที่หนเรียกอารามณูฟนิชานให้ความสําคัญกับตัวอารมณ์ น้ำจิตไปจับอารมณ์นิ่งๆพุโทโธแล้วจิตก็ไปจับอยู่กับพุโทโธรู้ลมหายใจจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจดูท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าอันนี้มันไม่ใช่สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตมันไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์เราคอยทำกรรมฐานอย่างเดิมแหละแต่ไม่ไม่น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์ทากรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิต เช่นพุโทโธพุโทโธนะจิตหนีไปคิดล้รู้ทันพุโทโธพุโทโธจิตไปเพ่งนิ่งๆิ่งและรู้ทันพุโทโธไปจิตมีความสุขรู้ทันพุโทโธไปจิตไม่สบายนะมีความทุกรู้ทันพุโทโธแล้วสงบเพรู้ทันพุโทโธแล้วฟุ้งซ่านก็รู้ทันถ้าถ้ารู้ได้อย่างนี้ไปด้วยนะนี่เข้าขั้นเดินปัญญาได้เลยนะไม่ใช่แค่ว่ามีสมาธิเป็นตัวผู้รู้หรอกนะเลยไปถึงขั้นเดินปัญญาเลย ถ้าจะเอาแค่ว่าจิตตั้งมั่นมีสมาธิก็แค่คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งนะอย่างเราดูลมหายใจอยู่จิตนี้ไปคิดเราก็รู้ทนันรู้ลมหายใจอยู่จิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทนันะเอาทุกคนนะดูหัวแม่มือตัวเองยื่นห่างๆนิดนึงอย่าไปจิ้มคนอื่นนะยื่นห่างๆ แล้วก็คอนเซนเทรตลงไปจดจ่อลงไปที่หัวไม่มือให้จิตไปอยู่ที่หัวไม่มือเลยดูออกไ้ยว่าจิตมันไปอยู่ที่หัวไม่มือดูออกไหมใครดูออกบ้างยกมือสิใครยังดูไม่ออกยกมือสิยังดูไม่ออกไปดูอีกไปหัดบ่อย แต่ไปเราจะรู้เลยว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่หัวแม่มือเราก็รู้นะจิตเคลื่อนไปที่ไหนเราก็รู้ถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนี่แหละจิตมันจะไม่เคลื่อนมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองแต่อย่าไปห้ามการเคลื่อนการปฏิบัติไม่ไม่ไม่ไม่เคลื่อนไปแล้วก็ไม่รู้ถ้าเคลื่อนไปแล้วไม่รู้เนี่ยหย่อนไปถ้ากลัวจะเคลื่อนแล้วบังคับเอาไว้เนี่ยตึงเกินไปเอาแค่เคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยทางสายกลางนะไม sal ่ได้บังคับว่าห้ามเคลื่อนนะไม่ได้เคลื่อนแล้วก็ไม่รู้ เราแค่ okay, ว่าเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยทางสายกลางพอเราเคลื่อนจิตเคลื่อนเรารู้จิตจะไม่เคลื่อนจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยที่ไม่ได้บังคับไว้จะไม่มีอะไรที่เราบังคับนะยังไม่ได้ฝึกบังคับอะไรเลยถ้าเราคิดจะฝึกบังคับกายบังคับใจเนี้ยอันนี้ตึงเกินไปถ้าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจทําอะไรก็ไม่รู้อันนี้หย่อนไปนะค่อยรู้สึกค่อยรู้สึกเอางั้นเบื้องต้นมหัด ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะพุทโธจะหายใจอะไรก็ได้ต้องซ้อมทุกวันซ้อมแล้วก็ไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์นั้นแต่ถ้าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์อันนั้นก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจิตันจะเคลื่อนไป2รูปแบบใหญ่ๆเวลาเราทำกรรมฐา น, นอันนึงเคลื่อนไปคิดอันนึงก็เคลื่อนไปจับนิ่งๆอยู่ที่อารมณ์เช่นไปจับอยู่กับลมหายใจถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อน ถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัติฝึกบ่อยๆในสุดจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อจิตเราเป็นผู้รู้แล้วนะต่อไปนี้ดูการทำงานของกายของใจถ้าจะดูจิตต่อไปเลยก็ได้นะดูจิตต่อไปให้เกิดปัญญาก็ได้ดูจิตครั้งแรกเนี่ยดูจิตเพื่อให้มีสมาธิจิตตั้งมั่นสมาธิอย่างที่สองดูจิตต่อไปให้เกิดปัญญา นะเราใจเราเป็นคนดูอยู่เพราะมันความโกรธเกิดขึ้นเราจะเห็นเลยว่าความโกรธกับจิตนัก็ครละอันกันความโกรธผ่านมาแล้วก็ไ ป, ปผ่านมาแล้วไปความโลภผ่านมาแล้วก็ไปความหลงความฟุ้งซ่านความหดหูผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะสุขทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราเป็นแค่คนดูสบายๆเราจะเห็นว่าความรู้สึกนาน า, นาชนิดเนี่ยกับจิตเนี่ยเป็นโคนละอนกัน จิตเป็นคนไปรู้ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะแยกออกจอากกันนะแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเช่นความสุขความทุกข์ โ, โลภโกรธหลงทั้งหลายนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อย่างใจเรากระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจใจมันตรึกในอารมณ์ที่ไม่พอใจนะโทสะมก็เกิดห้ามมันไม่ได้นะเนี่คยค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนไป ที่ง่ายที่สุดก็คือเห็นว่าจิตนั้นไม่เที่ยงสุข ก, ก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวนี่ถึงขั้นเดินปัญญาแล้วนะเดินปัญญาด้วยการดูจิตเขารู้ไปเรื่อยพอปัญญามันแก่รอบมันจะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยกระทั่งตัวจิตเองจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวผู้รู้ก็ตายไปกลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แตง่ง ผู้นึกพูดปรุงพู้แต่งพรมีสติรู้ทันโดยผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งก็ตายเกิดเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาแทนเนี่ยจิตผู้รู้อยู่ไม่นานก็ตายเกิดจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอีกบางทีก็ปรุงดีบางทีก็ปรุงชั่วทุกอย่างมีแต่ของชั่วคราวเนี่ยเฝ้าดูลงไปเรื่อยสุดท้ายปัญญาแก่รอบนะจิตจะรวมลงมาที่จิตการที่เรามาฝึกให้จิตตั้งมั่นไม่เคลื่อนไปนั่นแหะ เวลาที่เจริญปัญญาเต็มที่แล้วนะจิตรวมมันรวมอยู่ที่จิตอยู่แล้วนะถ้ามันไปรวมอยู่ที่อารมณ์นะมรรคผลไม่เกิดหรอกเวลาที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลเนี่ยสมาธิที่เกิดร่วมในอริยมรรคอริยผลนะเป็นสมาธิชนิดลักขณูวณิชานนะจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ใช่จิตที่ไหลไปอยู่กับอารมณ์สติระลึกรู้ลงที่จิตสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิต ปัญญาเห็นความจริงของจิตว่ามีแต่ของที่เกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเนี่ยสติสมาธิปัญญาเนีประชุมลงในจุดเดียวกันในขณะจิตเดียวกันที่จิตนั่นแหละอริยามรรคจะเกิดขึ้ น, นปัญญารู้แจ้งนะมันจะแหวกพลังของกุศลทั้งหลายที่ประมวลตัวรวมตัวกันเข้ามานี้จะเข้าไปแหวกอาสวะกิเลส ท, ที่ห่อหุ้มจิตอยู่เข้าไปทําลายสังโยชน์นกิเลส ส่วนลึกในใจของเราสัญญาตัวแรกเลยที่มันทำลายไปนะคือความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมใครยังรู้สึกว่าในนี้มีเราคนหนึ่งยกมือซสียสาธุที่รู้พวกที่ไม่ยกนะต้องอย่างน้อยต้องโสดาขึ้นไป <laughs> อีกพวกหนึ่งคือมองไม่ออกนะมไม่ออกรู้สึกไม่มีเราอยู่คนหนึ่ง เราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดิมเราคนนี้กับเราพรุ่งนี้ก็คนเดิมนี่แหละมันมีเราอยู่คนหนึ่งมีตัวมีตนถาวรที่เรารู้สึกว่าเป็นเราอยู่คือจิตนั่นแหละเราเห็นว่าจิตนั่นคือตัวเราร่างกายแก่ไปร่างกายของเราตอนนี้กับตอนเด็กๆไม่เหมือนกันใช่ร่างกายถ้าอายุเยอะขึ้นมาร่างกายตอนวัยรุ่นกับวัยหนุ่มสาวก็ไม่เหมือนกันวัยหนุ่มสาวกับวัยกลางคนก็ไม่เหมือนกันวัยกลางคนกับวัยแก่ก็ไม่เหมือนกัน ร่างกายเนี่ยเห็นได้ง่ายนะว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่เรารู้สึกจิตเราเที่ยงจิตเราเนี่ยตอนเด็กๆจิตเราตอนนี้ก็คนเดิมนั่นแหละนะรู้สึกไม้มในนี้มีคนเดิมอยู่มียังเหมือนเดิมอยู่มีคนเดิมอยู่เนะนการที่เรามาคอยเจริญสติเจริญปัญญานะเห็นความเกิดดับภายในจิตเรื่อยๆไปต่ไปปัญญามันเกิดแมันจะรู้เลยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดแล้วดับไม่มีอะไรเป็นอมตะเลย ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรมีแต่ของที่เกิดแล้วดับความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับจิตก็เกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูเดี๋ยวเป็นผู้ไปฟังนะเดี๋ยวเป็นผู้ไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสต่างๆเป็นผู้ไปคิดนึกทางใจเป็นผู้ไปเพ่งอารมณ์ทางใจนะเนี่ยสารพัดจะเป็นเลจิตนานาชนิดมันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็เป็นจิตสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตทุกข์เดี๋ยวก็เป็นจิตดีเดี๋ยวก็เป็นจิตชั่วนะ เนี่ยหมุนเวียนเปลีป่ยนแปลงไปด้วยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูมากเข้ามากเข้านะปัญญามันเกิดมันได้ข้อสรุปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวร น, นี่ขั้นเจริญปัญญานะด้วยการดูจิตดูกันอย่างนี้การเจริญปัญญาด้วยการดูจิตไม่ใช่ไปเพ่งให้จิตนิ่งๆคําว่าดูหมายถึงอะไรคําว่าดูหมายถึงว่ามันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นถ้าไปดัดแปลงมันไม่เรียกว่าดูนะ หลวงพ่อเคยทําผิดหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อครั้งแรกเจอท่านนะหกุูมภาสองพันาสามสอปีมาแล้วท่านสอนให้ดูจิตกลับมาบ้านมาทําอยู่สมเดือ น, นมาดูจิตจริงๆเลยนะไปจ้องจิตไว้นิ่งเลยเนี่ยทาอะไรนะตัวจิตผู้รู้เนี่ยเด่นเลยแล้วรักษาตัวผู้รู้ไว้รักษาจิตอไปตลอดเลยไปส่งกันบ้านท่านนึกจะบอกท่านว่าที่ผมดูจิตเป็นแล้วดูได้อย่างนี้นท่านบอกว่า ยังไม่ได้ดูจิตเลยแต่ไปแทรกแซงอาการของจิตแทรกแซงยังไงจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่คิดนึกปรุงแต่งจิตเป็นธรรมชาติที่คิดนึกปรุงแต่งนะเราจะไปบังคับจิตไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่งอันนั้นคือการแทรกแซงจิตถ้าอยากจะดูจิตจริงๆก็คือจิตมันคิดก็รู้จิตมันนึกก็รู้จิตมันปรุงมันแต่งก็รู้นะ พอรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความปรุงแต่งของมันเพราะอะไรเพราะว่าตัวจริงของมันนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาจิตเป็นธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งมันก็คิดนึกปรุงแต่งไม่ห้ามมันนะงั้นถ้าไปห้ามบอกว่าอย่าคิดอย่านึกอย่าปรุงอย่าแต่งอันนี้ไม่ใช่การดูจิตแต่เป็นการบังคับจิตเป็นการแทรกแซงจิตธรรมชาติของจิตคิดนึกปรุงแต่งให้รู้ทันมันไปเห็นมันคิดนึกปรุงแต่งไปจนกระทั่งปัญญาเกิดนะก็จะรู้ว่าไม่ว่ามันจะปรุงอะไรนะก็อยู่ชั่วคราว แล้วมันปรุงได้เองมันปรุงเองมันโกรธก็โกรธได้เองโลภก็โลภได้เองนะเราสั่งมันไม่ได้ตรงที่เห็นมันเป็นไปเองนี่เรียกเห็นอนัตตาตรงที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะั้นเห็นอนิจจังนะนี่คอยดูอย่างนี้นะดูจิตนี่ก็คือดูไปทําตัวเป็นคนดูจริงๆอย่าเข้าไปแทรกแสงจิตให้นิ่งนะจิตจะดีก็รู้จิตจะร้ายก็รู้จิตจะสุขก็รู้จิตจะทุกข์ก็รู้อย่า น, นี้ถึงจะเรียกว่าการดูจิตเพื่อให้เกิดปัญญานะ ตางกับการดูจิตให้เกิดจิตตั้งมั่นยังไงนั้นจิตเคลื่อนเรารู้ว่าจิตเคลื่อนเรารู้จิตตั้งมั่นนะถ้าดูจิตให้เกิดปัญญาก็คือมันสุกมันทุกข์มันดีมันชั่วนะตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปตามเห็นว่าเออมันเป็นเองมันสั่งไม่ไดนะ้นี่เรียกว่าการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตวิธีเจริญปัญญาด้วยการดูจิตนั้นเหมาะ ก, กับคนยุคเราส่วนมากนะคนส่วนใหญ่ในยุคเหล่านี้เหมาะกับการดูจิตเพราะอะไร กรรมฐานจิตตานุกปรสนานี้เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากคนรุ่นเราเนี่ยพวกคิดมากนะนักคิดอาชีพเลยบางคนไม่ได้ทําอาหากินอย่างอื่นเลยคิดอย่างเดียวเลยนั่งคิดนั่งคิดซอฟต์แวร์นั่งอะไรต่ออไรอย่างนี้นะมีแต่เรื่องคิดทั้งนั้นเลยทํางานก็คิดใช่ไหมที่ดุตลุดเลยคิดมากขนาดนี้อยู่ๆจะมาทําจิตให้สงบแล้วมาดูกายนะไม่ได้กินหรอก ถ้าเป็นพวกคิดมากแนละ้ววันวันหนึ่งภาระทางใจเยอะเหลือเกินนะให้ดูเข้าไปตรงๆเลยดูความเปลี่ยนแปลงของใจเลยใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ใจดีก็รู้ใจชั่วก็รู้ส่วนใหญ่จะชั่วแล้วส่วนใหญ่จะทุกข์นะไอ้ข้างดีกับข้างสุขมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีน้อยความสุขสั้นเสมอความทุกข์ยาวเสมอนะนะเฝ้าดูลงไปนะจนกระทั่งเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปสุขมาแล้วก็ไปทุกข์มาแล้วก็ไปดีมาแล้วก็ไปชั่วมาก็ไป จิตที่เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะเดี๋ยวก็เป็นผู้ดูผู้ฟังเป็นผู้ดมกลิ่นผู้ริ้มรสผู้รู้สัมผัสทางกายนี่จิตก็เกิดดับไปเรื่อยห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ด้วยเลือกไม่ได้ด้วยเราจะทดสอบว่าเราเลือกไม่ได้ทุกคนดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้ดูอย่างเดียวห้ามคิดคิดไหมห้ามคิดได้ไหม ไม่ได้ความจริงก็คือห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้คือคำว่าอนัตตานะจริงๆมันห้ามไม่ได้เนี่ยพวกเราดูจิตเป็นแล้วนะแค่นี้ก็เรียกว่าดูจิตเป็นแล้วจิตไปดูก็รู้จิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้นะแค่นี้ก็รู้ได้แล้วจเจริญปัญญาได้แล้วเราจะเห็นเลยจิตดูนะจิตดูเราสั่งเนี่ยมีตามีตาอยู่มีรูปให้เห็นมีแสงสว่างพอมีการประชุมกันระหว่างตาเร กรรูปกระแสงสว่างมีความ ร, รับรู้ทางตาจะสั่งไม่ให้เห็นสั่งไม่ได้ลองดูพระพุทธรูปแล้วอย่าเห็นสั่งไม่ได้เนาะหลวงพ่อพูดเนี่ยอย่าได้ยินห้ามได้ยินนะใครได้ยินใครได้ยินบ้างโอ้ยได้ยินจริงจริงเลือกไม่ได้ใช่ไหมห้ามไม่ได้ของจริงอย่างเอง งั้นเวลาจะดูจิตดูใจนะอย่าไปดัดจริตอย่าดัดจริตดิ ด, ดิ้นทําอะไรให้ผิดธรรมชาติธรรมดานะรู้ไปซื่อๆนี่แหละง่ายๆเวลาตาเรามองเห็นรูปใจเราก็เปลี่ยนเช่นตาเห็นผู้หญิงสวยมาใจเกิดราคะตาเห็นผู้ชายหลอกว่าเราเราเป็นผู้ชายนะเห็นผู้ชายหลอกว่าเราจิตเกิดโทสะนะฟ้าให้เราเกิดแล้วทำไมให้คนนี้เกิดด้วยเนี่ยพ่อเราทําไมไม่มีหัวสถาปัตย์เลยนะอะไรเงี้ย น, นะโทสะเกิด เห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวนะแม่ใจมันเปลี่ยนเลยตามองเห็ น, นใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนเคยไม่ได้ยินเสียงใครสักคนหนึ่งพอได้ยินเสียงคนนี้ก็โกรธแล้วขนะดเขาพูดเพล้อๆพู้ดดีๆก็โกรธเลยเคยมีไหมคนนี้พูดหวานพูดดีเลยพอได้ยินเสียงนั้ปรี๊ดแตกเลย น, ะนี่เกลียดมากเลยทั้งๆที่เขาก็ดีกับเราทุกอย่างเลยนะเนี่ยหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนนะได้ยินเสียงหมาเห่า ได้ยินเสียงหมาเห่าะคนชอบหมาโอ้หมาเห่าหมาสุขภาพดีใจหมาตัวเดิม่ะแต่มันเห่าตอนตีหนึ่งได้ยินเสียงนะใจไม่ชอบอีกแล้วใจมันเปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนนะใจมันเปลี่ยนไปด้วยได้กล pues ok ิ่นหอมมันชอบได้กลิ่นเหม็นมันเกลียดเนี่ยใจมันคิดใจก็เปลี่ยนคิดถึงคนนี้ชอบคิดถึงคนนี้เกลียดคิดถึงอันนี้พอใจคิดถึงอันนี้ไม่พอใจคิดถึงอันนี้มีความสุขคิดถึงอันนี้มีความทุกข์ ถ้าเด็กๆนะคิดถึงอนาคตก็มีความสุขนะคนแก่ๆคิดถึงอนาคตแล้วห่อเหี่ยวอนาคตมันสั้นลงสั้นลงนะคิดถึงอดีตดีกว่ายาวนะ ค, คิดไปแล้วมีความสุขสมัยโน้นเคยตกละกรัรมลาบากที่โน้นที่นี่นะเอามาเล่าให้ลูกหลานฟังนะเล่าแล้วมีความทุกข์ไหมไม่หรอกมีความสุขนะเคยลําบากอย่างโน้นมาย่างนี้มานะเนี่ยใจมันคิดนะใจมันก็เปลี่ยนนะบางเรื่องคนละเวลานะเรื่องเดิมคนละเวลา ความรู worry, ้ส hmm. ึกก็ไม่เหมือนกันได้ยินเรื่องนี้ตอนนี้ความรู้สึกอย่างนี้ได้ยินเรื่องนี้ตอนนี้ความรู้สึกอย่างนี้ใครเคยชอบเพลงมีเพลงโปรดนะแล้วก็ไปซื้อเทปมาซื้อซีดีมาแล้วฟังแล้วฟังอีกไหมใครเคยทําบ้างฟังนานนานแตโปรดไหมฟังนานนานบางทีคลื่นไส้เลยคลื่นไส้เลยทนไม่ไหวเมื่อก่อนตามวัดนะก็น่าคลื่นไส้อยู่ไปวัดไหนวัดไหนนะเปิดเพลงหมดเลยเพลงที่เบดเลยนั่นน่ะนึกออกไหม เดี๋นี้หายไปหมดแล้วรู้สึกไหมทนฟังไม่ไหวแล้วนะยุคแรกเพลาะใช่ไหมเสียงกระทบหูพอใจพอใจพอใจพอใ จ, พอใจไปมากๆไม่พอใจแล้วไปกินข้าวหรือไปหาของอร่อยกินสมมุติว่าเราชอบกินทุเรียนหมอนทองนะลิ้นเรากระทบรสคําแรกพอใจนะคำต่อๆไปนะกินไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะใกล้ๆลูกหนึ่งเนี่ยหรือละเอียดเซียนลนะเนี่ยลิ้นก็กระทบรสอย่างเก่านะคนละเวลานะความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลย ดังนั้นบริบทที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาควบคุมความรู้สึกของเราด้วยนะมีที่ผลต่อความรู้สึกของเราด้วยตากระทบรูปใจเราเปลี่ยนให้รู้ทันหูกระทบเสียงใจเราเปลี่ยนให้รู้ทันจมูกได้กลิ่นใจเปลี่ยนให้รู้ทันลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกมันเปลี่ยนให้รู้ทันคอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นวนะ่ทุกอย่างเกิดเราดับทุกอย่างบังคับไม่ได้นะ สุขทุกข์ดีชั่วมีแต่เกิดแล้วดับบังคับไม่ได้ดูซ้ําแล้วซ้ำอีกนะดูทีละอย่างความโกรธเกิดความโกรธก็ดับความโลภเกิดความโลภก็ดับนะดูอย่างนี้ไปเรื่อยสุขเกิดสุขดับดูไปอย่างนี้ทีละอันทีละอันสุดท้ายปัญญามันจะสรุปรวบยอดว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมันจะรู้รวบยอดนะตอนที่บรรลุมรรคผลไม่ใช่รู้อันเดียวไม่ใช่รู้ว่าโกรธเกิดแล้วดับโลภเกิดแล้วดับนะแต่จะรู้แบบรวบยอดเลยสรุปเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ นั้นเวลาทรมากเกิดเนี่ยจะตัดสินรวบยอดนะล้างฝาญกิเลสกันแบบถึงรากถึงโคนเลยไม่ใช่มาสู้กันทีละตัวทีละตัวฝึกนะเอานะนี่สำหรับพวกดูจิตนะถ้าพวกดูกายทำสมาธิก่อนทำสมา ธ, มาธิให้จิตเป็นหนึ่งแน่วมีพลังมากๆแล้วก็ค่อยคอยดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปนะดูไปเรื่อยถ้ามันไม่ยอมแยก ถ้ามันไม่ยอมแยกมาร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นขู ด, ดูก็ช่วยมันแยกวิธีช่วยมันแยกนะเช่นการคิดพิจารณากายเดี๋ยวนะกำหนดจิตนั่งสมาธิก็กำหนดจิ ต, น, น, น, จตนะเหมือนเราถอนผมออกนะถอนผมตัวเองออกไปให้หมดเลยให้หัวหนึ่งเลยนะลากลอกหนังศีรษะไปนะเห็นหัวก็โลกนะทุบหัวก็โลกให้แตกนะนี่ค่อยๆฉีกร่างกายไปอย่างนี้ก็ได้นะบางคนใช้กําหนดจิตเหมือนกับเผามันเลยนะ บางคนบอกไม่กล้าทํากรรมฐานอย่างนี้นะกําหนดจิต ด, ดึงผมหลุดเดี๋ยวร่วงหมดแล้วไม่ขึ้นเดี๋ยทําไงไม่เกี่ยวนะนี้ไม่เกี่ยวร่วงไม่ร่วงเป็นกรรมพันธนะไม่เกี่ยวกับกรรมฐานนะ <c oughs> เป็นกรรมพันธุ์ไม่ใช่กรรมฐานนะ <c oughs> แยกแยกแยกจนร่างกายหายไปหมดเลยนะแตกสลายไปหมดเลยเป็นอาการ32สองเลยเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวนะบางทีแยกเผาเผาเผาร่างกายไหม้หมดเลยเหลือจิตอันเดียว พอเหลือจิตอันเดียวแล้วตอนที่จิตถอยออกจากสมาธิร่างกายปรากฏขึ้นมันจะมีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งเลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันงั้นที่เรามาพิจารณากายพิจารณาจนสลายหมดนะ่ะนะเป็นการฝึกให้แยกรูปนามออกนั้นเองนะแยกได้แล้วต่อไปก็เดินปัญญา ต, ต่อไปร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูก็เห็นเลยกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรานะร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราใจที่เป็นคนดูไม่ใช่เรานะดูไปเรื่อย นะฝึกอย่างนี้ก็ดูกายไปนะถ้าอยากง่ายไม่ต้องไปทำสมาธิมากก็ดูจิตไปเลยนะจิตดีจิตไร้จิตสุขจิตทุกรู้ไปเรื่อยๆนะทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้เพราะไม่รู้ว่าสำคัญที่จะรู้นะสำคัญมากนะการที่เราจะเรียนรู้กายรู้ใจมันจะทำให้เราพ้นจากกองทุกได้นะฝึกให้มากเลยอริยมรรคเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยความทุกจะหายไปเยอะเลย ชีวิตจะโปร่งโล่งเบาขึ้นเยอะเลยไม่ใช่ 25% นตะ์ะบางคนคิดเลขเป็นแค่บรรจัตรยางนะมีโสดาสกทาคานาคาพระอรหันต์4สชั้นใช่ไหมงัม้นขั้นที่หนึ่งละ 25% าเอนผู้เราเองนะมันละไปเยอะเลยละหายไปเยอะเลยนะแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะที่จริงละนิดเดียวละนิดเดียวนะคือละความยึดถือจิตนะ ละความยึดถือจิตก็จะละรูปปราคะอรูปปาราคะระมานะนะละอุทัจจะละาอาวิชชาลงไปขนาดเดียวกันเลยละจุดเล็กนิดเดียวละลงที่จิตจุดเดียวเลยยากไปไหมฟังหลวงพ่อเทศครั้งแรกอะยากเสมอนะทำไมต้องเทศให้ยากง่ายๆฟังมามากแล้วนะก็ฟังอะไรที่มันเอาไปปฏบิบัติบ้าง ปฏิบัติแล้วลงมือทํานะเรียนรู้แล้วลงมือทํานะแล้วเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยะสงฆ์มีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงๆรงนะิไม่ใช่ต้องน้อมใจเชื่อแต่ประจักษ์แจ้งกับตนเองนะคนที่ปรารถนาความพ้นทุกข์จริงๆมีไม่มากหรอกคนในโลกนี้ปรารถนาการมาสุขความสุขจากการได้ดูได้ฟังได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสนะได้สนุกสนานทางใจ คนที่ปรารถนากรรมสุขเขาก็มุ่งไปหากรรมสุขถ้าเราอยากได้โลกุตตะสุขเหนือกว่านั้นนะยังมีอีกอันหนึ่งเรียกฌานสุขนะพวกติดสมาธิมีความสุขอยู่กับสมาธิเขาก็ดีเหมือนกันดีกว่าการมสุขนะฌานสุขก็ยังแปรปรวนอยู่ไม่เหมือนโลกุตตะลัุขนะโลกุตตะสุขเนี่ยโอ้มันเต็มมันอิ่มนะใจมันมีความสุขทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องรักษาไม่ต้องรักษา พวกเรารักษาใจแทบตายเลยใช่ไหมเบื้องต้นก็บอกให้รักษามีสติรักษาจิตจะได้เกิดศีลนะแล้วจิตเคลื่อนไปก็รู้แล้วก็ตั้งมั่นคล้ายคลเรารักษาจิตไปเรนะื่อยก็เอาจิตมาเจริญปัญญานะถึงสุดท้ายไม่มีงานต้องทำจนะหมดภาระไปฝึกแลนะเราจะรู้ว่าธรรมะมีจริงพวกเราชาวพุทธนะ คนที่เป็นพุทธแท้ๆมีไม่มากมีแต่ชื่อซะเยอะเลยอย่างตอนนี้มีข่าวพร้นะพระศึกไม่ได้ว่าพระไม่ดีนะพระศึกพระจะพระศึกไปมีเมียเนี่ยจริงๆไม่ผิดนะพระมีเมียโดยไม่ศึกถึงจะผิดนี่พระจะศึกไปมีเมียเนี่ยก็ดีแล้วอยากมีเมียก็ศึกศา ส, สนาพุทธไม่ได้ห้ามไม่เห็นว่าศาสนาจะเสียหายตรงไหนเลยอะไรเป็นศาสนาล่ะนะ ธรรมวินัยของพระุทธเจ้าคือตัวศาสนาแท้นะคือพระศาสดาของเราคือธรรมะตัวแท้ตัวจริงนะั้นถ้าเราเข้าใจตัวเนื้อแท้ของธรรมะนะเราจะไม่หวั่นไหวเลยนะพระไม่ดีพระจะเป็นอย่างโ น, น้นพระเป็นอย่างนี้นั่นเรื่องของคนนะไม่ใช่เรื่องของธรรมะนะธรรมะไม่เคยดังพร้อยเลยนะจริงๆพวกเราเองแหละทําพระเสียเสียอะนะ อย่างหลักของพระเนี่ยนะต้องมักน้อยต้องสันโดษใช่ไหมพระมีรถสปอร์ตได้ไหมมักน้อยไหมสันโดษไหมพระวันวันครุกคลีกับโยมเนี่ยหลวงพ่อนี่นะโยมเข้าไม่ถึงเลยรู้สึกไหมเหมือนอะไรที่แต่ต้องไม่ได้เลยไม่ถึงเพราะอะไรไม่ชอบครุกคลีมาตั้งแต่เป็นโยมแล้วถึงเวลามาคุยด้วยนะหมดเวลาแล้วอย่ามายุ่งกันนะต่างคนต่างภาวนานะ เนี่ยท่านให้มักน้อยให้สันโดษนะเราก็เอาอะไรไปประเคนให้พระถ้าเสียผู้เสียคนนะพระจะต้องไม่คลุกคลีเราก็ชอบคลุกคลีกับพระใช่ไหมที่เป็นคนใกล้ชิดชอบชอบอยากเป็นคนใกล้ชิดพระอาจารย์ใช่ไหมไม่ได้อยากได้ธรรมะนะอยากเป็นคนใกล้ชิดดูโง่โห่โง่โงขนาดนะใกล้ไปใกล้มาพระมีกิเลสเหมือนกันเนี่ยนะไพระก็อยากใกล้ชิดมากกว่าเดิมอีกเลยศึกเลยนะงั้นพวกเราอย่าไปทําพระเสียนะ ไปชวนประเคนอะไรทุกอย่างให้พระเสียพระเองก็มีหน้าที่ซักฟอกตัวเองได้มามากเขาต้องเอาไว้น้อยอย่างคนให้ของมากนะเราเอาไว้น้อยอย่างหลวงพ่อนะเดือนเดือนหนึ่งเนียยมเอาจีวรมาให้เยอะมากเลยนะหลวงพ่อใช้ผืนหนึ่งเนี้ยใช้ตั้งหลายปีนะผืนผืนหนึ่งนะที่เหลือทำอะไรที่เหลือแจกไม่ได้ไปขายนะเไปแจกต่อข้าวของปีปีหนึ่งแจกเป็นล้านๆ้านเลยนะ แจกเอาไปให้คนอื่นเขาใช้ประโยชน์เราไม่ได้ใช้ของบางอย่างดีโยมาของดีๆมาถวายนะหลวงพ่อไม่ได้ใช้นะพระในวัดมองๆบอกไม่เหมาะเอาไปแจกพระวัดอื่นถ้าเอาไปก็เรื่องของท่านนะแจกต่อไปเราไม่เอาอย่างสบู่หอมแม่หอมฟุ้งเลยเนะี่ยอชอบนะยี่ห้อนี้ดีหอมมากเลยนะหลวงพ่อเดินผ่านพระได้กลิ่นหอมนะแล้วโดนละ เอาไปให้คนงานใช้แต่ถ้าเหม็นก็ไม่ได้นะเพาเหม็นก็อาบัตอีกนะพระต้องไม่หอมต้องไม่เหม็นเห็นไหมทางสายกลางซะหมดเลยเอา้าวใครจะส่งกันบ้านกล่าวนวัสการหลวงพ่อเจ้าค่ ะ, ะเพิ่งมาเข้าคอร์สครั้งแรกนะคะก็ก่อนหน้านี้เป็นคนที่ชอบย้ำคิดย้ำทำรชแ ต, แต่ตอนหลังอ่ะก็ พยายามอยากทําเร็วคิดเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็ลองทําดูแต่ปรากฏว่าบางครั้งอะค่ะมันมันไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการก็เลยโกรธตัวเองแล้วก็แบบลนลานอะไรเงี้ยค่ะ<ก>ไ ป, ไปรู้เอาไปรู้อย่างที่มันเป็นอย่าไปแทรกแซงมันนะเห็นไหมเราร้ายกว่าที่คิดดวออกไหมว่าเราร้ายกว่าที่คิดคนั่นแหละยิ่งเห็นอย่างนี้ยิ่งดีนะไปดูเลยความร้ายอะไรมันอยู่ตรงไหนนะ มันผุดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็รู้รู้ไปได้มันจะค่อยสลายไปพอไปใจเราก็จะสว่างแฉมสายดีขึ้นดีขึ้ น, นไปดูต่อไปขอบพระคุณเจ้าค่ะจิตฟุ้งซ่านเนีจะต้องรู้ทันนะจิตฟุ้งซ่านเนาะหาเครื่องอยู่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปนะหรือเดินจงกรมไปแลจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันเนี่มันจะสงบเข้ามาพอได้สงบแล้วนะาก็ดูกายดูใจมันทำงานไปหลวงพ่อค่ะฮึ่ม คือมันมันรู้ว่าถ้าจิตหลงไปคิดเนี่ยแล้วมันจะนําความทุกข์มาให้มันก็เลยช่วงนี้มันเลยขยันภาวนาค่ะเออดีถ้างั้นดีหรือว่าเก็บไปห้ามมันไม่ให้คิดไม่ได้นะการค่ะหลวงพ่อออืการบ้านคราวที่แล้วที่หนูส่งกันบ้านที่ลําปางอะค่ะอืหลวงพ่อบอกว่าหนูไปรู้อยู่ข้างในตอนหนูนั่งสมาธิอ่ะค่ะหนูก็พอรู้ทันหนูก็เริ่มสังเกตว่ามันเข้าไปลึกจริงๆทีนี้ตอนมันถอยออกมา หนูก็พยายามดูว่าจิตหนูชอบไปจับอะไรอันแรกคือพอมันเริ่มขยายความคิดอะคะ่ะมีอยู่ครั้งนึงมันไปจับเอาร่างกายอันแรกหนูรู้สึกว่ามันหยาบไปหนูส่วนใหญ่มันจะไปจับเอาที่ลมหายใจอะคะ่ะเมื่อก่อนที่หนูเริ่มต้นทํานั่งสมาธิทํากรรมฐานฟังซีดีหลวงพ่อะคะ่ะหนูจะเริ่มดูกายแล้วก็ดูท้องพองยุบ ตอนหลังมันไปของมันเองค่ะไปอยู่ที่ลมหายใจหนูก็เลยเอาลมหายใจเป็นวิหารธรรมของมันเองอะค่ะนั่นแหละดีแล้วนะถ้าเข้าสมาธิลึกแล้วตอนออกมาเนี่ยให้มาดูกายนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะฝึกอย่างนั้นค่ะแล้วหนูก็อันนี้หนูไม่รู้หนูทำถูกหรือเปล่าหนูคิดเองนะคะตอนที่หนูดูลมหายใจหนูรู้สึกว่ามันมีข้า ง, างบนเนี่ยค่ะ S <S เนืเใจมันดูมาจากข้างบนค่ะตั้งมันตรงๆเขาแต่ว่าเราอย่าไปอย่าไปจับมันนะแค่รู้สึกว่ามันมีอยู่แต่อย่าไปจับใส่มันอย่าไปจ้องใส่มันนะถ้จ้องนั่นติดสมถะอีกแบบหนึงหนูตั้งมันตรงๆหนูหนคิดว่าแต่หนูพยายามดูลมหายใจแต่หนูจะเซตจุดหนึ่งที่ตรง อ, อย่าไปเซตไม่เซตใช่ไหมอย่าไปเซตไว้ให้มันเป็นธรรมชาตินันจะแข็งไปอ๋อค่ะโอเคแซงว่าแลเราอย่าไปตั้งตัวรู้ไว้ แค่รู้สึกว่ามันมีอยู่นะเห็นร่างกายหายใจไปใจเราเป็นแค่คนดูนะแค่รู้สึกว่าตัวรู้มีอยู่เท่านะั้นเพราะว่าหนูสังเกตอย่างนี้ค่ะตอนที่ถ้าเกิดว่ามันตัดลงมาปุ๊บถ้าเกิดว่าหนูไปตั้งมันไว้แล้วหนูจะจําได้ว่าอารมณ์มันจะคล้ายๆกับตรงนี้หนูว่ามันต้องถูกแน่เลยเออมันของปลอมสินั่นที่แต่งขึ้นมาใจมันจะนิ่งกว่าความเป็นจริง งั้นก็รู้ลมหายใจอย่างเดียวค่ะรู้ลมไปแล้วใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายหายใจเราเป็นคนดูมันหายใจอเนี่ยเห็นไหมมันพยักหน้าคแค่รู้สึกเย่างนี้แต่ไม่ไปตั้งเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ดูมันพยักหน้าใจมันจะแข็งนิดหนึ่งจะเกินไปอืเดี๋ยวไปแก้ค่ะแล้วก็หลวงพ่อคำว่าก่อนที่หนูเริ่มหัดนั่งสมาธิใหม่ๆนี่หนูจะนั่งได้วันละหลายชั่วโมงอะคะ่ะ ต่อมาหนูเริ่มทำงานก็มันไม่สามารถทำนั่งสมาธิได้หนูก็นั่งอย่างมากตอนกลางคืนหนูไม่ได้จับเวลาค่ะไม่นานนะคะแล้วก็นั่งตอนขานั่งรถไปทำงานที่บริษัทแล้วก็ขากลับมาได้แค่นั้นนะคะแค่นั้นก็ดีแล้วเวลาที่เหลือเจริญสติเจริญปัญญาไปสมาธิไม่ต้องเยอะนักหรอกสมาธิไม่ทำให้บรรลุมรรคผลเราทำพอให้ใจมีเรื่องมีแรง ถอยตัวออกมาเป็นคนดูได้ครับช่วงนี้มันหนูฟุง้งหนูทำงานแล้วมันชอบเล่นนะค ะ, ะ, คะหายใจไหมค่ะเดี๋ยวจะพยายามเพิ่มให้มันสงบขึ้ น, นขอบขอบคุณค่ะบัมรการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาประมาณห้าหปีแล้วครับแล้วก็ไม่ได้มาส่งการบ้านประมาณปีแล้วครับ ก็อยากจะขอคำอชี้แนะจากหลวงพ่อครับว่าที่ผ่านมาก็ติดเฉยก็ก็เฉยสนานเลยฮะแล ะ, <ม>และช่วงฟุ้งนี่ก็ฟุง้งจะเป็นนานนฮะ<ม>ก็เลยรู้สึกจะสวิง<ม>ค่อนข้างมากก็เลยอยากจะธรรมทานะจิตเนี่ยถ้าสุดโต๊ะไปข้างหนึ่งมันจะเบี่ยงไปอีกข้างช่วงไหนสงบมากนะัหลุดออกมาจากตัวนี้จะฟุ้งมากช่วงไหนราคะแรงนะอีกช่วงโสทสะจะแรงมันจะเบี่ยงอย่างนี้นะธรรมดา หน้าที่เราอย่าไปติดนิ่งติดเฉยนะปล่อยให้มันทำงานถ้าปล่อยให้มันทางานเวลาที่ฟุง้งมันกยฟุ้งไม่แรงนะให้มันทำงานไปแต่ถ้ามันไปติดนิ่งมันจะฟุ้งแรงอย่าไปอยู่เฉยๆนะสงสาจิตไปติดนิ่งติดเฉยดูกายไปเลยเห็นกายไม่ใช่เราดูเป็นส่วนๆไปก็ผมคนเล็บฝ่า น, นังไม่ใช่เราดูไปงั้นก็ได้ครับนะผ่ามรดกการหลวงพ่อครับเป็ไงก็ มันบรรยากาศการทำงานมันจะสตรสเยอะครัมันก็จะสมาธิกับสติมันจะดรอปไปครับถูกแล้วมันต้องไปจาะสติสมาธิปัญญาไปจาะที่งานรู้สึกเหมือนใจมันจะดิ้นน้อยลงนิดหน่อยครับมันมันมีสมาธิแต่ไปจาะอยู่ที่งานแต่อย่างนี้ภาวนามันจะเป็นปัญหาไหมครับไม่เป็นหรอกประมลเวลาทํางานนะหรือว่าขณะทํางานมีความรู้สึกอะไรแปลกปลอมเข้ามาก็ค่อยรู้เอา คือพยายามมารู้ขยับที่กายให้มันเยอะขึ้นครับเพราะว่าเหมือนดูจิตไม่ค่อยไหวดูจิตไม่ได้ดูกายถูกแล้วครับี่หลวงพ่อก็เคยเล่าที่ว่าหลวงพ่อทํางานเยอะๆนะนะลุกขึ้นเดินไปห้องน้ําเนี้ยดูกายมันเดินไปแต่ขากลับเนี่ยดูจิตได้ลนะผมไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะเ อ, อทําไปเดี๋ยวก็ได้เนาะ <laughs> ปเรื่อยับอะไรไหมครับไม่ต้องใช้ได้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากกว่าเก่า แต่ว่าสมาธิมันน้อยกว่าเก่าแค่นี้ครับทำไมสมาธิเป็นของเสื่อมต้องซ้อมไม่ซ้อมก็เสื่อมหมดครับมนุย์การพระอาจานครับพอดีปัจจุบันผมปฏิบัติแนวออดูเวทนาดูความรู้สึกตั้งแต่หัวจดเท้านะครับแต่ติดประเด็นที่การฟุ้งนะครับอพอฟุ้งปุ๊บก็จะดูอาจจะกลับมาดูลมบ้างมาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายบ้างแล้วถ้าหลุดไปก็ไปดูจิตนะครับควรจะทําอะไรต่อดีครั บ, รบเวทนาเนี่ยจะทําได้ดีสมาธิต้องมากนะ งั้นถ้าสายเวทนาเนี่ยเบื้องต้นต้องทําสมถาก่อนอย่างรู้ลมหายใจอยู่จิตแน่วแน่เป็นหนึ่งมีพลังแล้วนะก็มาดูเวทนาในกายจะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกไหมถ้าแยกก็ใช้ได้นะก็เดินต่ออย่างนี้ก็ได้นะตอนไหนดูเวทนาไม่ออกนะก็ดูกายไปก็ได้นะหรือตอนไหนความรู้สึกมันแรงขึ้นมาดูจิตไปก็ได้แท้จริงเราไม่ได้ดูกายไม่ได้ดูเวทนาไม่ได้ดูจิตออก เราดูไตรลักษณ์งั้นดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูเวทนาก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์ปัญญาแทงทะลุทีเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เอาตรงนี้ต่างหากงัจะไม่มีหรอกสายกายสายจิตสายเวทนาไอ้นั้นสําหรับเด็กหัดใหม่พอสติมันอัตโนมัติแล้วมันเลือกไม่ได้แล้วว่ามันจะรู้อะไรมันไปรู้ของมันเองใช่ไหมใช่ไหมรู้กายมันก็รู้เองรู้เวทนามันก็รู้เองรู้จิตมันก็รู้ของมันเองเราเลือกไม่ได้หรอก เพราะงั้นไม่มีสายนะถ้าภาวนาเป็นแล้วไม่มีสายแล้วภาวนาไม่เป็นอนะต่อแต่ต่อแต่ก็เบื้องต้นมีสายอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะพอทําเป็นแล้วไม่มีนะสายกายสายจิต พ, พูดออกมาแบบนั้นไม่รู้เรื่องหรอก <c oughs> กราบนมันส ก, การหลวงพ่อครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับต <c oughs> ื่นเต้นแล้วทำไงาาดีรู้ว่าตื่นเต้นครับเออรู้ว่าตื่นเต้นตับถูกเออผมมีธรทำอานาปนสติอยู่บ้างนะครับแล้วก็ แต่ว่าจะฟุ้งเยอะครับแล้วก็เดินเวลาเดินจงกรมเนี่ยพยายามถอนจากเท้าขึ้นมามันก็จะรู้สึกถึงความสะเทือนทั้งทั้งร่างกายเลยนะครับแต่ว่าไม่เห็นว่าตัวเองกําลังเดินนะครับมันรู้สึกอะไรเป็นรู้สึกที่สะเทือนนอะครับรได้รู้สึกที่สะเทือนได้จิตเราเป็นแค่คนดูนะเห็นตัวนี้เป็นสะเทือนโลกธาตุนี้สะเทือนหมดเลยวัตถุเท่าไหร่ก็สะเทือนอยู่ตลอดเวลานะมีแต่ความกระเพื่มตลอดเลยครับถูกแล้ว นรัสการค่ะหลวงพ่ อ, อก็ตอนหัดใหม่ๆก็ตามรู้ตามที่ท่านหลวงพ่อแนะนำอะค่ะก็เห็นในสิ่งที่มันชัดๆความโกรธความเสียใจมากๆค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานประจำแล้วค่ะก็ตั้งใจสวดมนต์ยี่นาที30นาทีอะค่ะก็จะเห็นว่ามันมันแว บ, บออกไปคิดได้เรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะแล้วก็แต่ว่าทำสมาธิไม่ได้เลยอะค่ะมีแต่หลับสวดมนต์ไปนั่นแหละ ตรงที่ทำสมาธิแล้วหลับนี่ไม่ต้องตกใจนะตรงนี้ดีนะตรนนี้ดีจิตมันมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะจิตมันต้องการพักผ่อนให้มันพักไปไม่ว่ามันออกพอออกมาแล้วมันเจริญปัญญา ต, ต่อรามธรตมการหลวงพ่อครับหลวงพ่อให้ดูกายแล้วกพ็พนาพุทโธครับอตอนนั้นหนักแน่นหลวงพ่อบอกตรงใจไปครับอตอนนี้ผมก็ ทำรูปแบบให้ดีขึ้นตัวศีลก็ดีขึ้นแล้วก็จะเจริญสติยึดอธรรมานด้วยครับดีก้าวหน้าขึ้นแล้วละ่ะนะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วละ่ะครับกาพระอาจารย์ค่ะ อ, อืหนูทราบว่าตัวเองฟุ้งซ่านมากค่ะฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหานะฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่ามันฟุ้งซ่านดีไม่ต้องสงบก็ได้ ใจไหลแแวบไปให้รู้ทันอาจรู้ไปรู้ไม่ทันเจาค่ะรู้ไม่ทันก็รู้ทีหลังรู้ว่ามันไปแล้วไม่ต้องรู้ทันทีหรอกมันง่ายกว่าที่คิดนะคือคุณรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจไปอย่างจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้รู้ว่าอย่างที่มันเป็นรู้ว่าไปสบายสบาย ช่วงสเดือนที่ผ่านมาไม่เคยรู้ว่ามีความสุขเลยค่ะก็ดีแล้วล่ะความสุขมันของหลอกเด็กมันมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าใจเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางนะถ้าคอยไปเห็นทุกข์แล้วใจไม่ชอบอันนี้ไม่ดีถ้าไปเห็นความทุกข์ใจไม่ชอบรู้ว่าใจไม่ชอบดีไปดูนะ้าอยู่ที่ความเป็นกลางปัญหาของคุณนะนมัส ก, กาดครับหงพ่อ ไม่ได้ส่งการบ้านมาประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับ <Ừ. S 1> ความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนก็คือว่ารู้สึกว่าความวุ่นวายทางโลกมันไม่เข้ามากระทบจิตใช่ยิ่งตอนนานะโรคมันห่างออกไปนะรเราไม่เข้าไปคลุกกับมันอันนี้นี่คือเห็นแจ้งด้วยปัญญาใช่ใช่ กับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหลายปีที่ผ่านมามันไปติดประคองเอาไว้เยอะแล้วก็มันไปต่อต้านสภาวะธรมเยอะค่ะแล้วก็พอช่วงหลังๆอ่ะมันเริ่มคลายจากสภาวะสภาวะแบบนั้นออกมามันเหมือนมันโดนคิดดอกเบี้ยค่ะคือจิตมันฟุ้งซ่านแล้วก็อ๋อแนอนแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นว่าโทสะมันแรงโมหะมันแรงให้รู้ทันไปนะรู้ทันสภาวะไปแล้วรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางคนะปัญหาอยู่ที่ไม่เป็นกลางค่ะสภาวะนั่นเห็นแล้ว เมื่อเห็นสภาวะแล้วก็ต้องเห็นด้วยความเป็นกลางค่ะแล้วหนูมีอะไรต้องไปทำเพิ่มเติมอีกไหมคะภาษามันแทรกสิให้รู้ทันนะได้ค่ะธรรมัการของพ่อครับจิตมันเหมือนมันไม่ถึงฐานมันหลบเข้าไปข้างในครับช่วงๆครับแล้วก็มันตั้งใจว่าจะรู้จะเฉยถึงเวลาจริงมันจะเอาแตจิตดีครับเออนะแต่ก็มันกไม่ได้ครับห้ามไม่ได้ครับ เลือกไม่ได้ดูออกย่างว่าจิตนั่งสั่งไม่ได้ครับพอดีช่วงเข้าภรษาจะไปภาวนาทางอีสานสมเดือนนะครับอืก็ขอถวายเป็นพุทธบูชาทมบูชาสังฆบูชาครับสาธุดีครับไปภาวนานะไปมีสตินะครับสติดูกายดูใจมันทํางานครับดูจิตได้ก็ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูไม่ได้เลยก็ทําความสงบครับใช่หลักนี้ไปเรื่อย ขอบคุณครับ เ, เชิญกลับบ้าน